สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอภาค AM คลื่น747เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬกา10นาทีถึง8นาฬกา35นาทีวันจันทร์ถึงวั น, น, วนพฤหัส ด, ดำเนินรายการโดยเพนสีอินทรัทวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โดยนักเขียนกุลสตรีใช้นามปากกาวา่าสุทธสาอ่อนคอมท่านที่สนใจต้องการนำซีดี MP สชุดนี้ไปฟังทบทวนโปรดติดต่อไปได้ที่ห้างธรรมสภา02 441 1535หนึ่งหสหหรือที่คุณน้ำทิพย์ภูธนชัย081 828 8298 086สองสองห 5 3 4 8 2 7สและที่เพนสีอินทรทัศน์0 8 1, 9, 1, 9, 7, 2 6 8นะคะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะ